องค์ประกอบข้อ2เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์การให้ทานนั้นโดยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อเป็นการขจัดความโลภความตรณีเหนียวแน่นความหวงแหนหลงไหลในทรัพสมบัติของตนอันเป็นกิเลสหยาบคือโลภกิเลสและขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่น ให้ได้รับความสุขด้วยเมตตาธรรมของตนอันเป็นบันไดก้าวแรกในการเจริญเมตตาพรหมวิหารในพรหมวิหารสี่ให้เกิดขึ้นถ้าได้ให้ทานด้วยเจตนาดังกล่าวแล้วเรียกว่าเจตนาในการทำทานบริสุทธิ์แต่เจตนาที่ว่าบริสุทธิ์นั้นถ้าจะบริสุทธิ์จริงจะต้องสมบูรณ์พร้อมด้วยกันสามระยะคือ 1. ระยะก่อนที่จะให้ทานก่อนที่จะให้ทานก็มีจิตสมนัตร่าเริงเบิกบานยินดีที่จะให้ทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขเพราะทรัพย์สินสิ่งของของตน 2. ระยะที่กำลังลงมือให้ทานระยะที่กำลังลงมือทำทานอยู่นั้นเองก็ทำด้วยจิตสมมนัส ร่าเริงยินดีและเบิกบานในทานที่ตนกำลังให้ผู้อื่น 3. ระยะหลังจากที่ได้ให้ทานไปแล้วครั้นเมื่อได้ให้ทานไปแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็ดีนานมาก็ดีเมื่อหวนคิดถึงทานที่ตนได้กระทําไปแล้วครั้งใดก็มีจิตสมนัสร่าเริงเบิกบานยินดีในทานนั้นๆ เจตนาบริสุทธิ์ในการทำทานนั้นอยู่ที่การมีจิตโสมนัดร่าเริงเบิกบานยินดีในฐานที่ทำนั้นเป็นสำคัญและเนื่องมาจากเมตตาจิตที่มุ่งสงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นความทุกข์และให้ได้รับความสุขเพราะทานของตนนับว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ในเบื้องตน้นแต่เจตนาที่บริสุทธิ์เพราะเหตุดังกล่าวมาแล้วนี้ จะทำให้ยิ่งยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกหากผู้ให้ทานนั้นได้ทำทานพร้อมกับมีวิปัสสนาปัญญาโดยใครครวนถึงวัตถุทานที่ให้ทานนั้นว่าบรรดาทรัพย์สินสิ่งของทั้งปวงที่ชาวโลกนิยมยกย่องหวงแหนเป็นสมบัติกันด้วยความโลภนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงแต่วัตถุธาต ที่มีอยู่ประจำโลกเป็นสมบัติกลางไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะวัตถุเหล่านั้นเป็นของที่มีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดขึ้นมาและไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ก็ตามวัตถุธาตุดังกล่าวก็มีอยู่เช่นนั้นและได้ผ่านการเป็นเจ้าของโดยผู้อื่นมาแล้วหลายชั่วคนซึ่งแต่ละท่านแต่ก่อนนั้น ต่างก็ได้ล้มหายตายจากไปแล้วทั้งสิ้นไม่สามารถจะนำติดตัวไปได้เลยจนในที่สุดก็ได้ตกทอดมาถึงเราให้เราได้กินได้ใช้ยึดถือกันเพียงชั่วคราวแล้วก็ตกทอดสืบเนื่องไปเป็นของคนอื่นคนอื่นต่อๆไปเช่นนี้แม้เราเองก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้ จึงนับว่าเป็นเพียงสมบัติผลัดกันชมเท่านั้นไม่จากไปในวันนี้ก็ต้องจากไปในวันหน้าอย่างน้อยเราก็ต้องจากต้องทิ้งเมื่อเราได้ตายลงนับว่าเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราเป็นของเราได้ถาวรตลอดไป แม้ตัววัตถุธาตุดังกล่าวนี้เองเมื่อมีเกิดขึ้นเป็นตัวตนแล้วก็ตั้งอยู่ในสภาพนั้นให้ตลอดไปไม่ได้จะต้องเก่าแก่ผุพังบุบสลายไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่อย่างไรแม้แต่เนื้อตัวร่างกายของเราเองก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับวัตถุธาตุเหล่านั้นซึ่งไม่อาจตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ได้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวแล้วก็แก่เท่าตายไปในที่สุดเราทั้งหลายย่อมจะต้องพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักที่หวงแหนคือทรัพย์สมบัติทั้งปวง <het ou f> เมื่อเจตนาในการให้ทานบริสุทธิ์ผุดพ่องดีพร้อมทั้งสามระยะดังกล่าวมาแล้วทั้งยังประกอบไปด้วยวิปัสนาปัญญาดังกล่าวมาแล้วด้วยเจตนานั้นย่อมบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทานที่ได้ทาไปนั้นย่อมมีผลมากได้บุญมากหากวัตถุทานที่ได้ทาเป็นของที่บริสุทธิ์ตามองค์ประกอบข้อหนึ่งด้วยก็ย่อมทําให้ได้บุญมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกวัตถุทานจะมากหรือน้อยเป็นของเลวหรือประณีตไม่สำคัญเมื่อเราได้ให้ทานไปตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ย่อมใช้ได้แต่ก็มีข้ออันควรระวังอยู่ก็คือ การทําทานนั้นอย่าได้เบียดเบียนตนเองเช่นมีน้อยแต่ฝืนทำให้มากๆจนเกินกำลังของตนที่จะให้ได้หรือเมื่อได้ทําทานไปแล้วตนเองสามีภริยารวมทั้งบุตรด้วยต้องลําบากขาดแคลนเพราะไม่มีจะกินจะใช้เช่นนี้ย่อมทําให้จิตเศร้าหมองเจตนานั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ทานที่ทาไปแล้วนั้น แม้ว่าถูกทานจะมากหรือทำมากก็ย่อมได้บุญน้อยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์คือตัวอย่างที่หนึ่งทำทานเพราะอยากได้ทำเอาหน้าทำอวดผู้อื่นเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลใส่ชื่อของตน ไปยืนถ่ายภาพลงโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อให้ได้รับความนิยมยกย่องนับถือโดยแท้จริงแล้วตนเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งสงเคราะห์ผู้ใดเรียกว่าทำทานด้วยความโลภไม่ได้ทำเพื่อขจัดความโลภทำทานด้วยความอยากได้คืออยากได้หน้าได้เกียรติได้สรรเสริญได้ความนิยมนับถือ ตัวอย่างที่สองทำทานด้วยความฝืนใจทำเพราะเสียไม่ได้ทำด้วยความเสียดายเช่นมีพวกพ้องมาเรียรายตนเองไม่มีศรัทธาที่จะทำหรือมีศรัทธาอยู่บ้างแต่ทรัพย์น้อยเมื่อมีพวกมาเรียรายบอกบุญต้องจำใจทำทานไปเพราะความเกรงใจพวกพ้องหรือเกรงว่าจะเสียหน้า ตนจึงได้สละทรัพย์ทำทานไปด้วยความจําใจในกรณีนี้ย่อมเป็นการทำทานด้วยความจรี่หวงแหนทำทานด้วยความเสียดายไม่ใช่ทำทานด้วยจิตเมตตามุ่งจะสงเคราะห์ผู้อื่นซึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งเสียดายให้ไปแล้วก็เป็นทุกข์ใจบางครั้งก็นึกโกรธผู้ที่มาบอกบุญเช่นนี้จิตย่อมเศร้าหมองได้บุญน้อย หากเสียดายมากๆจนเกิดโทสะจะริตกล้าด้วยนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วที่จะได้ก็คือบาปตัวอย่างที่สทํทำทานด้วยความโลภคือทำทานเพราะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อันเป็นการทำทานเพราะหวังสิ่งตอบแทน ไม่ใช่ทาทานเพราะมุ่งหมายที่จะขจัดความโลภ ข, ขจัดความตรร니หวงแหนในทรัพย์ของตนเช่นทําทานแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้ชาติหน้าได้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าขอให้มีรูปงามรูปสวยขอให้ทำมาค้าขึ้นขอให้ร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทําทานร้อยบาทแต่ขอให้ร่ารวยนับล้าน ขอให้ถูกสลากกินแบ่งสลากกินรวบซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติสวรรค์หากชาติก่อนไม่เคยทำบุญใส่บาตฝากสวรรค์เอาไว้อยู่ๆก็มาขอเบิกในชาตินี้จะมีที่ไหนมาให้เบิกการทำทานด้วยความโลภเช่นนี้ยอมได้บุญน้อยมากแต่สิ่งที่จะได้พอกพูนเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นและหนาขึ้นด้วยก็คือ ความโลผลหรืออนิสงของการทำทานที่ครบองค์ประกอบสามประการนั้นย่อมมีผลให้ได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ แม้ว่าจะไม่ได้เจตนาเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุเมื่อทำเหตุครบถ้วนย่อมมีผลเกิดขึ้นตามมาเองเช่นเดียวกับลูกต้นมะม่วงเมื่อรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยไปตามธรรมดาเรื่อยไปแม้จะไม่อยากให้เจริญเติบโตและออกดอกออกผลในที่สุดต้นไม้ก็จะต้องเจริญและผลิดอกออกผลตามมา สำหรับผลของทานนั้นหากน้อยหรือมีกำลังไม่มากนักย่อมน้อมนำให้ได้บังเกิดในมนุษยชาติหากมีกำลังแรงมากก็อาจจะน้อมนำให้ได้บังเกิดในเทวโลกหชั้นเมื่อได้สวยสมบัติในเทวโลกจนสิ้นบุญแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังเหลืออยู่ประกอบกับไม่มีอากุส ล, ละธรรมอื่นแทรกให้ผล ก็อาจน้อมนำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ย่อมทำให้ได้เกิดในตระกูลที่ร่มรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยซั์หรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีลาภผลมากทำมาหากินขึ้นและร่มรวยในภายหลังซัพ์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปเพราะวินาศภัยโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยหรืออื่น แต่จะมั่งคั่งร่ำรวยในวใัยใดย่อมสุดแล้วแต่ผลทานแต่ชาติก่อนๆจะส่งผลคือ 1. ร่ํร่ำรวยตั้งแต่วัยต้นเพราะผลของทานที่ได้ตั้งเจตนาไว้บริสุทธิ์ดีตั้งแต่ก่อนจะทำทานคือก่อนที่จะลงมือทำทานก็มีจิตเมตตาสมนัตร่าเริงเบิกบาน ยินดีในทานที่ตนจะได้ทำเพื่อสง่งเคราะห์ผู้อื่นแล้วได้ลงมือทำทานไปตามเจตนานั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ย่อมโชคดีโดยเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยชีวิตในวัยต้นอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยทรัพย์ไม่ยากจนแร้นแค้นไม่ต้องขวนขวายหาเลี้ยงตนเองมากแต่ถ้าเจตนาไม่งามบริสุทธ์พร้อมกันครบสามระยะแล้ว ผลทานก็ย่อมส่งผลให้ไม่สม่ำเสมอกันคือแม้ว่าจะร่ำรวยตั้งแต่วัยต้นโดยเกิดมาบนกองเงินกองทองก็ตามหากในขณะที่กำลังลงมือทำทานเกิดจิตเศร้าหมองเพราะหวนคิดเสียดายหรือหวงแหนทรัพย์ที่จะให้ทานขึ้นมาหรือเกิดหมดศรัทธาขึ้นมาเฉยๆแต่ก็ยังฝืนใจทำทานไปเพราะเสียไม่ได้ หรือเพราะตามพวกพ้องไปอย่างเสียไม่ได้เช่นนี้ผลทานย่อมหมดกำลังให้ผลในระยะที่สองซึ่งตรงกับวัยกลางคนซึ่งจะมีผลทำให้ทรัพย์สมบัติวิบัติหายนะไปด้วยประการต่างๆแม้จะได้รับมรดกมาก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้หากเจตนาในการทำทานนั้นเร้าหมองในระยะที่สาม คือทำทานไปแล้วหวนคิดขึ้นมาทำให้เสียดายทรัพย์ความหายยนะก็มีผลต่อเนื่องมาจนถึงบั้นปลายชีวิตด้วยคือทรัพย์สินคงวิบัติเสียหายต่อเนื่องจากวัยกลางคนตลอดไปจนถึงตลอดอายุไขชีวิตจริงของผู้ที่เกิดบนกองเงินกองทองก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างที่เมื่อได้รับทรัพย์มรดกมาแล้วก็วิบัติเสียหายไป หรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวัยต้นแต่ก็ต้องมาล้มละลายในวัยกลางคนและบั้นปลายชีวิตแต่ถ้าได้ตั้งเจตนาในการทำทานไว้บริสุทธิ์ครบถ้วนพร้อม3มระยะแล้วผลทานนั้นย่อมส่งผลสม่ำเสมอคือร่ำรวยตั้งแต่เกิดวัยกลางคนและจนถึงปัดชิมวัย 2. ร่ำรวยในวัยกลางคนการที่ร่ำรวยในวัยกลางคนนั้นสืบเนื่องมาจากผลของทานที่ได้ทำเพราะเจตนางามบริสุทธิ์ในระยะที่สองกล่าวคือไม่งามบริสุทธิ์ในระยะแรกเพราะก่อนที่จะลงมือทำทานก็มิได้มีจิตศรัทธามาก่อนไม่คิดที่จะทำทานมาก่อน แต่ก็ได้ตัดสินใจทำทานไปเพราะเหตุบางอย่างเช่นทำตามพวกพ้องอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อได้ลงมือทำทานอยู่ก็เกิดโสมนัสรื่นเริงยินดีในทานที่กำลังกระทําอยู่นั้นด้วยผลทานชนิดนี้ย่อมทำให้มาบังเกิดในตระกูลที่ยากจนคับแค้นต้องต่อสู้สร้างตนเองมาในวัยต้นครั้นเมื่อถึงวัยกลางคนกิจการ หรือธุรกิจที่ทาก็จึงประสบความสาเร็จรุ่งเรืองและหากเจตนาในการทำทานได้งามบริสุทธิ์ในระยะที่3ด้วยกิจการหรือธุรกิจนั้นย่อมส่งผลรุ่งเรืองตลอดไปจนถึงบั้นปลายชีวิตหากเจตนาในการทำทานไม่บริสุทธิ์ในระยะที่3แม้ธุรกิจหรือกิจการงานจะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในวัยกลางคน แต่ก็จะเป็นล้มเหลวหายนะในบั้นปลายทั้งนี้เพราะผลทานหมดกำลังส่งผลไม่ตลอดจนถึงบั้นปลายชีวิต 3. ร่ำรวยปัดฉิมไวคือร่ำรวยในบั้นปลายชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากผลทานที่ผู้กระทามีเจตนาไม่งามไม่บริสุทธิ์ในระยะแรก และระยะที่สองแต่งงามบริสุทธิ์เฉพาะในระยะที่สามกล่าวคือก่อนและในขณะที่ลงมือทำทานอยู่นั้นก็มิได้มีจิตสมนัตยินดีในการทำทานนั้นแต่อย่างใดแต่ได้ทำลงไปโดยบังเอิญเช่นทำตามตามพวกพ้องไปอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อได้ทำไปแล้วต่อมาหวนคิดถึงผลทานนั้น ก็เกิดจิตโสมนัดร่าเริงยินดีเบิกบานหากผลทานชนิดนี้จะน้อมนำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ยากจนขับแค้นต้องต่อสู้ดิ้นรนศึกษาเล่าเรียนและขวนขวายสร้างตนเองมากตั้งแต่วัยต้นจนล่วงวัยกลางคนไปแล้วกิจการงานหรือธุรกิจนั้นก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเช่นต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดมา แต่ครั้นถึงบ้านปลายชีวิตก็ประสบช่องทางเหมาะทำให้กิจการงานนั้นเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นและร่ำรวยอย่างไม่คาดหมายซึ่งชีวิตจริงๆของคนประเภทนี้ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่มาก